ก็ในช่วงเย็นวันนี้ก็จะได้กล่าวสรุปสติปทาน4แบบเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำไปเป็นแนวทางก่อนที่เราแยกย้ายปฏิบัติตามโปรแกรมว่าในพรุ่งนี้เช้าช่วงเช้าก็เป็นการรายงานของพระของพระเราแต่ละลูกตาาพอมีเวลาก็จะ ไปถึงโยมด้วยนะเดี๋ยวช่วงเช้าอาจจะไม่ครบหมดทุกคนหลังจากทานอาหารเช้าแล้วก็ไปรายงานต่อยจนไปถึงเพนพอถึงเพนก็คงจะครบทุกคนนะเพื่อที่จะไดอ้อ่านความรู้สึกให้กันฟัง <c oughs> ว่าเรามาที่นี่มานั่งที่นี่ห7วันเนี่ยเร า, าได้บันทึกความ ทรงจำกับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในจิตของเราเนี่ยได้ละเอียดแค่ไหนได้อ่านตัวเองออกแค่ไหนแล้วก็นำเอาอข้อมูลเหล่านี้มาเป็นประเด็นในการพัฒนาตัวเองต่อไปอนั้นในภ า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาศษาอังกฤษท่านใช้คำว่า Read Your Mind เราไม่ใช้คำว่ารูใจของตัวเองท่านใช้คำว่าอ่าน ไม่ใชคุณริดนะ R E A D You can read your mind You can if you can read your mind you can read other mind ถ้าคุณอ่านใจตัวเองได้คุณก็อ่านคนอื่นออกถ้าคุณอ่านใจตัวเองไม่ได้คุณก็อ่านคนอื่นไม่ออกเมื่อเราอ่านคนอื่นออกก็หมายความาว่าเราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างสบายเราอยู่กับใครก็สบายเพราะเราอ่านเขาออก ว่าเขาจะไปทางทิศไหนก็จะทํายังไงเขาจะพูดอย่างไรอันไหนจะควรทํำเขาอันไหนไม่ควรทำเขาอ่านอ่านเขาออกเราก็อยู่กับเขาได้สบายมนุษย์ในโลกนี้ก็จะไม่เป็นบริษัทแห่งความสุขสงบของกันและกันพอเราอ่านเขาออกนัแต่การที่จะอ่านคนอื่นออกต้องอ่านตัวเองให้ออกถ้าอ่านตัวเองไม่ออกก็อ่านคนอื่นไม่ออกอ่านคนอื่นผิดปัญหาและความทุกข์ก็ตามมาเนื่องจากเราอ่านตัวเองผิดหรือไม่ได้อ่านตัวเองเลย อันการมาเรียวิปัสนาคือการมเรียนรู้ในการอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกและสามารถปลูกอาสวะปลูกไ้มรรคผลนิพพานทําลายอาสวะได้คือเป้าหมายอันสูงสุดของวิปัสนาะฉะนั้นในช่วงที่เรามานั่งอ่านตัวเองเนี่ยตั้งแต่หดวเท้าอาการลมหายใจเข้าออกเราอ่านเป็นไหมอาการ อิริบทสีเราอ่านออกทุกบทไหมอ่านในตัวเองไม่ใช่อ่านในตัวบาลีที่ตัวบทในอิริบทย่อยการเคลื่อนไหวทั้งหบทย่อยๆในตัวเราเองเนี่ยเราอ่านออกหมดไว้วันนึงมันมีเท่าไหร่อาการของ 3- าสองในแต่ละอาการ 3-2 อย่างเนี่ยเราอ่านมันออกหมดไหมอาการธาตุทั้งสดินน้ำโลหไฟเราอ่านมันออกไหมแล้วอาการของเสียที่เกิดขึ้นแต่ละเวลา ในร่างกายของเรานี่เรียกว่าอ่านในส่วนกายอ่านในส่วนเวทนาในสุขเวทนาเราอ่านว่าอย่างไรความสุขเว็ลักษณะไหนเกิดขึ้นตอนใดบ้างอ่านทุกขเวทนาว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายของเราเนี่ยมันเกิดอย่างไรมันเกิดที่ไหนมันดับอย่างไรอ่านให้ออกแล้วทุกขมสุขเวทนานทุก ก็ไม่ชัดสุขก็ไม่ใช่เนี่ยมันเป็นอย่างไรอาการห่วงอ่านออกไหมในส่วนของจิตก็เหมือนกันจิตมีความชอบเป็นยังไงจิตไม่มีความชอบเป็นยังไงจิตมีความชังเป็นยังไงจิตไม่มีความชังเป็นอย่างไรจิตเฉยเฉยหรือจิตเฉยเมยเป็นยังไงหรือจิตไม่เฉยไม่ซื่อเป็นอย่างไรนะจิตที่ ฟุ้งซ้านเป็นยไอ่านออกไหมจิตที่หดหูเป็นยังไงอ่านออกไหมจิตที่ได้อารมณ์ดีเป็นยังไงจิตได้ไม่ได้อารมณ์ดีเป็นยังไงจิตมีจิตอื่นเข้ามาแทรกเป็นยังไงจิตไม่มีจิตอื่นเข้ามาแทรกเป็นยังไงจิตที่มีคลื่นแทรกเป็นยังไงจิตที่ตั้งมั่นเป็นยางไจิตไม่ตั้งมั่นเป็นยังไงจิตหลุดพ้นเป็นยังไงจิตไม่หลุดพ้นเป็นยังไงนี่อ่านออกให้หมด ต่อมาในส่วนธรรมารุปศาสนาแล้วก็อ่านเรื่องนิวรัตทั้ง5้าว่าความง่งวงความเหงาความเบื่ อ, อความขี้เกียจมันเป็นลักษณะอย่างไรความอึดอัดขัดเคืองขัดแย้งคุณมัววิลักษณะอย่างไรความง่วงเหงาเฮานอนอาการเริ่มต้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรความฟุง้งซ่านอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอย่างไรอาการลังเลสงสัยลักษณะอาการเป็นอย่างไรเรงนี้แล้วอ่านตัวเอง ออกทั้งสี่ลักษณะอย่างเนี้ยเรียกว่าอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็สรุปปูปลงในกายในจิตของตัวเองมันก็อยู่ในโลกนี้อย่างแบบใสสะอาดเลยเพราะว่ามันเข้าไปอ่านออกบอกได้ใช่เป็นเห็นชัดจัดถูก นั่นก็เรียกบุญลมไม่สุขแต่ถ้าหากเราไม่ฝึกอ่านอย่างนี้เรื่อยๆอ่านนี้ไม่ใช่อ่านตอนมานั่งปฏิบัติเท่านั้นนะอ่านตลอดเวลาทีเดียวอ่านตลอดเวลาอ่านได้หลายรอบอ่านให้ชำนิชำนาญแต่อุปสรรคที่สําคัญก็คือเราไปอ่านข้างนอกอ่านรูปข้างนอกอ่านเสียงข้างนอกอ่านกลิ่นข้างนอกอ่านรถข้างนอกอ่านสัมผัสข้างนอกอ่านอารมณ์ข้างนอก แต่รูปเสียงคิดิยสัมผัสอารมณ์ของตนเองไม่อ่านอันนี้คือเรียกว่าอาวิชชาปัญหาอยู่ตรงนั้นดังนั้นเองอาการที่เกิดขึ้นแต่ละขณะนีมันมีเหตุมีปัจจัยถ้าเราอ่านมาตั้งแต่ต้นเหตุเนี่ยอ่านไม่ใช่อ่านเฉยๆนะอ่านได้ลองทำดูท่านบอกว่าในบทที่ว่าด้วยอาญัตนะว่า รู้จักรูปด้วยรู้จักสิ่งที่มารู้จักตาด้วยรู้จักรูปที่ะกระทบตาด้วยและรู้จักสังโยกที่เกิดจากตาและรูปกระทบกันด้วยรู้จักหูด้วยรู้จักเสียงด้วยและรู้จักอาสวะ ห, หรือสังโยคที่เกิดขึ้นระหว่างหูกระทบเสียงเสียงกระทบหู ที่เกิดขึ้นด้วยนี่รู้จักกลิ่นด้วยรู้จักจมูกด้วยและรู้จักกิเลสที่เกิดจากระหว่างจมูกกระทบกลิ่นด้วยรู้จักรสด้วยรู้จักลิ้นด้วยรู้จักกิเลสที่เกิดจากลิ้นกับรสกระทบกันด้วยรู้จักรายด้วยรู้จริงที่สัมผัสด้วยกายและรู้จักกิเลสที่มันเกิดขึ้นระหว่างกายกับสัมผัสกระทบกันด้วย รู้จักจิตด้วยรู้จักอารมณ์ด้วยและรู้จักกิเลสที่เกิดขึ้นระหว่างจิตอารมณ์กระทบกันด้วยนี่ใ น, ใ น, ใ, นในองค์การวิธีอ่านเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าหากว่าเราไม่เจริญสติไม่เจริญวิปัสนาเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายสําหรับเราเราก็นั่งซื้อบือหลับตาลหมหายใจเสพสุขเหงาหวงอ ง, งอกงอกไปวันๆห น, น, นึ่งเงี้ยมันไม่ได้อะไรทั้งที่บุทธเจ้าตรัสไว้เยอะไปหมดนะเป็นวิโก เราก็ได้ยินได้ฟังได้อ่านแต่เราก็ยังทำเหมือนเดิมนั่งดับตาเสพสุกนั่งหลับตาเสพสูกโม่งแล้วก็ออกจากง่วงได้ออกฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านต่อบเบื่อเอาพอได้นึกเอาเวลาได้สตินั่งก็มานั่งทำมาอีกอย่างนี้นะร้อยวันพันปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็เลยเอหนังสือท่านก็บอกเอาไวน้นะนังสือสวดก็บอกเอาไว้สวดก็แปล ใ, ให้ฟัง ก็เอ๊ะทำไมไม่เกิดตรงนี้เองเราจึงมาช่วยกันกระตุ้นเร่งเรา้ให้เกิดการตื่นรู้ขึ้นเพื่อที่เราจะเปิดดวงตาก่อนที่จะอ่านถ้าเราไม่มีตาตาในไม่เกิดข้อมูลเหล่านี้เต็มไปหมดเราก็อ่านไม่ออกนะเพราะนั้นธรรมาจากักษุจึงสำคัญ จะคงอุทัพปธิยานังอุทัพทธิเมื่อจะสู่เกิดไหมเขาว่าญาณคือตัวรู้เกิดปัญญาคือความเห็นชัดเกิดบิชาคือความเข้าใจเกิดอโลกะแสงสว่างเจอประหลงนานๆมอก็ได้ปิดจะดีไหมเพราะว่าถึงแม้ช่วงนี้กำลังรักษาภูมิแพ้อยู่แต่ ว, ว่าเจอ และเจอลมเจอเย็นนา น, น, านๆก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเพราะนั้นเองในเรื่องของการเจริญสติของเรามันจะมีความหมายมีอนุภาพก็ต้องฝึกอ่านอารมณ์เหล่านี้ให้ได้นะอ่านไปเรื่อยๆตอนแรกอ่านเท่านี่เราเข้าใจก่อนอย่างวันนี้เราอ่านว่าในอ่านกาย สองระดับหนึ่งกายระดับที่เป็นเวทนาความเย็นความร้อนอ่อนอ่อนความแข็งความตึงความเข่งความปวดความเหนื่อยความม่ยความเพียวขัดคำย่อความเจ็บขุมคันอะไรเนี่ยมีปรากฏชัดอยู่ตลอดหรือบางอย่างมีบางอย่างไม่มีได้เห็นชัดสิ่งเหล่านี้ไหมอันดับที่หนึ่งบางครั้งมันเบาบางครั้งมันหนักบางครั้งมันบางบางครั้งมันหนา บางครั้งมันหายบางครั้งปรากฏเนี่ยได้อ่านตลอดเวลาไหมอันที่สองเมื่อมีทุกขเวทนาต่างเกิดขึ้นในกายอย่างตลอดสิ่งที่ระบายออกมาถึงอาการของทุกขในกายนี้ก็คือการเคลื่อนไหวที่เราเคลื่อนไหวนั้น น, น, น, น, นี้หมายความว่ามันถูกระบายออกมาแล้วเหมือนปล่องควันเรารู้ว่าควันมันปลิวพลิ ว, วออกจากป่องลมเพราะมันมีไฟอยู่ข้างล่าง เราจึงเห็นหรือเห็นยอดไม้มันไหวไปไหวมาแสดงว่ามันมีลมเหมือนกันในการที่เราเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมาแสดงว่ามันมีความทุกข์ความขัดแยง้งหรือความปั่นป่วนอข้างในมันถึงไหวออกมาข้างนอกเราก็ต้องดูระดับที่สองอีกดูการเคลื่อนไหวโดวยการแปลการเคลื่อนไหวให้เป็นสติสัมปชัญญะแปลความทุกข์ข้างในให้เป็นตัว สัมผัสและปัญญาแปลค่ามันตลอดเวลาลักษณะนี้เรียกว่าอ่านออกนะแต่ถ้าอาการเหล่านี้ปรากฏตลอดเวลาแต่เราไม่ได้แปลข้ามออมาเป็นสติสัมผัสและปัญญาเลยก็ถือว่าเรายังอ่านไม่ออกอเมื่ออ่านไม่ออกเราก็ต้องพยายามต่อไปทำความรู้สึกตัวตามวิธีการที่ได้แนะนำวิธีการโพธิเหียนคือเดินจงกรมแล้วก็ ไม่ใช่เดินทื่อๆไปเรื่อยๆเดินแล้วรู้หนักรู้เบานี่เดินมาหกวันนี่บางคนยังเดินหนักตึงตึงตึงอยู่เลยยังไม่เดินเบายังไม่ได้แต่ถ้าเราอ่านออกก็เออเดินหนักเนี่ยมันดังมันหนักถ้าเดินเบาเนี่ยมันมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เบาแล้วก็นิ่มมันจะเกิดความหมายในยะใหม่ขึ้นมาแต่ด้วยความเคยชินของเราพอลุกขึ้นมาก็สัดไปตึงตึงตึ้งตึ้งไปเต็มที่เหมือนกัน เราได้ยินแล้วก็อายแทนแต่ว่าไม่รู้จะว่าไงเดี๋ยวพอเป็นแน่ก็จะติดอารมณ์กันอีกก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นมันมีนัยยะที่ให้ฝึกได้ตลอดเวลาถ้าเราอ่านออกบอกได้ใช่เป็นเห็นชัดจัดถูกนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าไปให้ความสำคัญและไม่ศรัทธาที่จะทาใครจะมาบอกก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะมันไม่ศรัทธา แต่พอมันศรัทธาแล้วนายว่าแต่บอกเลยสังเกตเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงเห็นว่าตัวเองเดินหนักหรือเดินเบามันจะเห็นเออเดินหนักเปนอย่างนี้ถ้าเดินเบาคนนี้เป็นอย่างไรมันจะเห็นนัยยะใหม่เกิดขึ้นทันทีเลยนะเออเดินเบามีอาการที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าเดินหนักก็เดินยังไงก็ได้ท่นโบราณท่านบอกให้เดินอย่างช้างย่างอย่างแมวช้างในตัวมันใหญ่มันเดินไม่ได้ยินเลยนะ ในป่าเดินนิ่มเลยแมวก็ตีนเบาเดินอย่างช้างย่างอย่างแมวอันเนี้ยเราก็ต้องอ่านเหมือนกันอะไรที่เราแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจอ่านมันสามประตูเลยเปิดประตูอ่านนี่เรียกว่าไวยะของการเจริญสติเมื่อเราได้อ่านอย่างนี้สติก็เริ่มอย่างรากเรื่อยๆอย่างรากในส่วนของกายของเวทนาก่อน เมื่อสติสัญญาอย่างรากปับ๊บมีอารมณ์มกระทบปุ๊บในจิตเราจะไม่ล้มไปกับความคิดจิตของเราจะเหมือนกับไผ่ต้องลมลมตุ้มมานี่มันเอ็นไปนิดหนึ่งแล้วก็มันพอลมผ่านไปมันก็เอ็นกลับลมกระแทกปึ่งมามโอนเอ็นไปนิดหนึ่งพอลมผ่านไปก็ดีกลับเราเมื่อกันอารมณ์ที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายกระทบมาปึ่งเดียวแล้วก็เป็นธรรมารุมคล้อยตามไปนิดหนึ่ง แล้วก็กลับมาตั้งตัวปัจจุบันใหม่สักพักหนึ่งมันไม่รู้ว่าทั้งลมร้อนลมเย็นมากระทบหมายความว่าคนที่มาผ่านเราเนี่ยนำทั้งเรื่องร้อนเรื่องเย็นมาคนก็เรื่องขุน่นเรื่องมัวหรือเรื่องสบายไม่สบายไม่เสมอแต่ถ้าสติสมัมมชย์ญาของเราไม่อย่างรากลึกเนี่ยพอผ่านตึ้งเข้ามาก็ไหลไปเลยติดไปเลยนะติดลมไปเลยปิ우ปกระลม ร่องรอยไปกับอารมณ์นั้นร่องรอยไปกับความคิดล่องรอยไปกับสิ่งที่มากระทบอันนั้นอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เราเป็นทุกวิทุวนันแต่เราก็ไม่ค่อยสังเกตเพราะเราอยู่ด้วยความเคยชิ น, นเมื่อมาเจริญสติเราจึงมีโอกาสได้ศึกษานในบทที่ในส่วนรายละเอียดพระพุทธเจ้าท่านให้ศึกษาในส่วนที่เคลื่อนไหวห ย, ยับหยาบ หรือเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยลงมาท่านให้รู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวแต่พอในเคลื่อนไหวทั้งหมดในส่วนที่ละเอียดท่านให้ศึกษายังบทที่ว่าสภ า, ากายะปฏิสั่งเวทีอัศสิสซามีติสิคติเราจะศึกษาว่าเราจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงขณะหายใจเข้า สภากายะปฏิสังเวทีปัสปะสะิสซาเมติสิกติเราจะศึกษาว่าเราจะรู้พร้อมถึงกายทั้งหมดขณะหายใจออกหายใจออกและหายใจเข้าศึกษาว่าหายใจเข้าร่างกายเป็นยังไงหายใจออกร่างกายจะเบาหายใจเข้าร่างกายจะหนักศึกษาละอ่า ปัจสัมภ ย, งยังกายสังขารังอสสามิติสุคติเราย่อมศึกษาว่าเราจะทํากายสังขารให้สงบระ ง, งับหมายความขณะ น, นี้เรานั่งหนักนั่งเบากายสังขารช่วยธรรมารู้สึกหนักมากปวดขา ม, วามากเมา่อจะศึกษาด้วยการไม่ใช่นึกในศึกษาม้วยก็ลุกขึ้นแล้วก็ตามดูความหนักหายไปความเบาปรากฏนี่ปัจสัมภยงังกายสังขาง อาสัชสิสะมีติสกติเราจะศึกษาว่าเราทํากายสังขารให้สงบกายสังขารในที่นี้หมายความว่าความเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงการเคลื่อนการไหวการรกเรียกกายสังขารคือสิ่งมาปรุงให้ร่างกายนี้เป็นไปเรียกว่ากายสังขารแล้วเราก็เข้าไปศึกษาหายใจเข้าหายใจออกศึกษาเนี่ยพอศึกษาได้เข้าใจชัดอย่างนี้มันผ่อนมันคลาย ถ้ า, าใครศึกษาต่อไปว่าปีติปฏิสั่งเวทีอัสัสิสาเมติสกติเราจะศึกษาว่าอจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติคือความโล่งปร่งเบาสบายเกิดขึ้นโล่งปร่งเบาแล้วเกิดความซึมซับในความสบายอันนั้นท่านก็เรียกว่าสุขะปฏิสั่งเวทีอัสัสิสามีติสกติเราจะศึกษาว่า เราจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขขณะหายใจเข้ขาการหายใจออกนะที่จบแค่นี้ในส่วนกายพอขึ้นมาในส่วนจิตบ้างท่านใช้ว่าจิตแต่สังขาระบริสั่งเวทีอาศิสซาเมติสิกติเราจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตว่าจิตในขณะนี้เราปรุงแต่งกับเรื่องอะไรบ้างรู้พร้อมเฉพาะเราจะศึกษาว่าเราจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตปรุงแต่ง น่าหายจะเข้าหายจะออกต่อมาท่านใช้ว่าปัจซัมพยายามจิตแต่สังขรารอาสัสิสามิติเสกติเราย่อมศึกษาว่าจะทําจิตตสังขารคือความคิดกำลังปรุงแต่งอารมณ์ปรุงแต่งเรื่องอะไรพยายามให้มันสงบระงับลงแล้เห็นความสงบระงับของจิตปั๊บเรียกว่าศึกษาแล้วศึกษาเพื่อให้มันสงบระงับร่างกายเอาง่ายๆก่อนว่าเวลาเรานั่งเราปวดเราเมื่อยเนี่ยเราศึกษาหมายความว่าเราจะทำให้มันสงบระงับ ไม่ใช่นึ่งนั่งทิ้งทึ่งอยู่กับมันตลอดเพ่งมันตลอดถ้าไม่ได้บอกอย่างนงั้นท่านบอกปัจสมพยังกายยสังขารังเ่าจะศึกษาว่าจะรู้พร้อมเฉพาะทํากายยะสังขารให้สงบหมายความว่าทำความเจ็บความปวดความเมยยื่อยที่มันมีอยู่ ใ, ให้สงบระ ง, งับแต่ว่าไม่รู้ว่าเรียนกันอีท่าไหนนั่งแล้วมันปวดให้ดูไปเรื่อยๆมันเป็นนิจังทุกขังนะอย่าไปเปลี่ยนมันนั่งดูไปศึกษาไชั่วโมงจะเป็นยังไงอันนี้มันก็ผิดแล้ว ผิดตรงนี้ปัดสัมพยังกายสังขารังอาสสิสามีเทียไม่ได้ศึกษานะแต่บทพระบาลีทั้นว่าไว้ชัดชัดแต่ว่าเวลาเราไปทําเรากลับทําตรงกันข้ามซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะใช่ไหมอาจารย์เออน่าคิดมากแล้วก็สวดกันแล้วก็พระสูตรก็ชัดมากแต่เวลาไปศึกษาไปไปทำไปทําคนละเรื่องร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังนาตาไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเดี๋ยวมันบมดมันไปของมันเอง บางครั้งมันไม่ไปเราใจโอ้โห و, ปวดแทบเป็นแทบตายก็ดันอยู่อย่างนั้นไงนี่เขาเราียกวิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าไปพลิกอยู่ในดูแล้วเา้าบอกว่าปั่อสัมภยังะทําให้มันสงบแลงับลงไม่ใช่ไปกดไปขม่มไปบม่มไปเพราะความเจ็บปวดมาทําร้ายตัวเองจนเป็นอามาพลิอามาผัดความดันอะไรยอะแยะไปหมดที่พระรวิปัสสนาท่านเป็นนะ่ะนะเพรานั้นเองในจุดนี้ามาว่าเรื่องตัวบทก็สําคัญ นะแต่พระจะต้องนำมาตีแผ่ผู้ผู้นำปฏิบัติต้องมาตีแผ่ต้องนำมาขยายต้องมาอธิบายให้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรน ะ, ะนนจะเห็นว่าในเรื่องของปริยัติตท่านว่าไว้ชัดไว้ละเอียดแต่ว่าเราลงมือทำแล้วเนี่ยบางทีเราทำไม่ถูกนะทไม่ถูกแต่พอพอจิตไม่มีไม่มีการปรุงแต่งถ้ายจิตตังอ่า ทันใช้คําว่าจิตตะปฏิสั่งเวทีอาสาัสิสามิติสิกขิเราจะศึกษาว่าเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตให้รู้จักจิตจริงๆเนี่ยจิตจริงๆเป็นอะไรแล้วก็บอกเออจิตคือตัวรู้อัวรู้ไปยังไงแล้วก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะที่อยากจะให้รู้ว่าตัวรู้ไปยังไงปั๊บเราดูไปอาการของกายขณะนี้รู้ว่ามันนมันหนักหรือมันเบาเออมันหนัก แต่พอพอลุกขึ้นแล้วบอกมันเบาอะไรรู้ว่าเบาอะไรรู้ว่าหนักเราก็เรียกว่าจิตเฮ้ยจิตนั้นอาการของจิตกับกายเป็นอันเดียวกันครือคนละอันเราก็เริ่มอ่านมันละทีเ น, นี้ยเห็นไหมแต่พอมาเรื่องของจิตเบาเนี่ยท่านไม่ใช้คําว่าปีติท่านใช้ก็ว่าอภิปโมจะยังจิตตังอาสัสิสามีติตสกติเราย่อมศึกษาว่า ร, รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต ท, ที่ปราโมทยิ่งอยู่คือความว่าปราโมทกับปิตินี่ต่างกันนะปิติแปลว่าอิ่มใจปราโมทว่าแช่มชื่นยินดีปรีดาปราโมทนะคือความสงบแช่มชื่นเพราะนั้นในในเรื่องของการศึกษาก็จะมีบทเหล่านี้เข้ามากํากับว่าเราควรจะศึกษาอย่างไรท่านก็ให้คำกำกับไม่ให้คิดไปมั่ว จะต้องมีบทกำกับว่าต้องไปตามทางแบบนี้นะกรอบมันคืออันนี้นะท่านวางเอาไว้ใช้สมาทังจิตตังบ้างวิโมจะยังบ้างวิราคาบ้างอนิจจานุปสีบ้างปฏินิสาขาบัาง้งนิโรธาพวกเนี้ยเป็นอาการห้องจิตทั้งหมดเลยในอนาปนาสติสิ ข, ขั้น ซึ่งเราไม่รู้เรื่องปริยัตินี่เราก็ไม่วิตกว่ะแต่ว่าอ่านเท่าที่เราเรารู้เนี่ยว่าเพียงแต่ว่าความรู้สึกในเนื้อในตัวของเราเนี่เราอ่านออกเพราะอ่านออกก็คือมันก็มีอาการสองอย่างคือสบายและไม่สบายอ่านง่ายๆอย่างนี้ก่อนคือสบายและไม่สบายสบายแสดงอาการเป็นเบาไม่สบายแสดงอาการเป็นหนักดูที่หนักที่เบาก็เห็นอาการทั้งสบายและไม่สบาย ในขณะที่เราเดินเหยียบลงหนักก้าวไปเบาในขณะยกมือขึ้นหนักในขณะเอามือลงเบาเนี่ยถ้าเราสังเกตนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่สังเกตไม่ศึกษาเราก็ยกมือไปแว้งแว้งแว้งแว้งแต่ไม่เห็นหนักเห็นเบาไม่เห็นหยุดไม่เห็นเคลื่อนไม่เห็นเกิดไม่เห็นดับก็ไม่ได้ศึกษาอีกความเคยชินเข้าครอบอีกเออเราศึกษาปฏิบัติมาตั้งนานก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงชัดเจนเนื่องจากว่าเราขาด คามชัดเจนในการเฝ้าดูในการตามรู้หาดความชัดเจนที่ไม่มีประชานาติไม่มีสัมประชานการีคือไม่มีความชัดเจนและมีความพร้อมไม่มีควา ม, า ม, ม, ม, วามาทั่วพร้อมในอาการเหล่านี้เพรช่นอาการของสติท่านใช้คําว่าประชานาติแต่ใ น, นอาการของอิริบุตรย่ยละเอียดลงไปท่านใช้คำว่าสัมประชานการีทําให้รู้ทั้งหมด แต่พอไปอาการของเวทนาท่านใช้กับประชานาติอีกให้รู้ให้ชัดพอเป็นส่วนยหญ่พอปฏิสวลละเอียดของจิตท่านใช้คบว่าศึกษาสิคตินะเพราะนั้นในการปฏิบัติของเราก็จึงต้องมีกรอบมีขอบเขตที่ชัดเจนไม่ใช่เราจะดูมุมมัวไม่ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระเกจิอาจารย์ท่านผู้โค้าจารย์ให้กรอบมาไว้อย่างนี้ แล้วมันก็จะไปทางที่ถูกนะเป็นสมาธิที่เลยสวดมานะเพราะฉะนั้นได้เริ่มบอกมาได้ริ่ต้นว่าการดูกายในสองมิติมิติแรกคือตัวอาการของเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเขร่งตึงเจ็บปวดแสบคันขัดยอกตรงไหนเนี่ยให้เข้าไปดูให้ชัดเขแล้เข้าไปอินไซต์มันให้ชัด ถ้ามันไม่ชัดก็ขยกุขยกขยับหามันดูอาจารย์ของเราหนึ่งในสายงานก็ เ, เลยเลยท่านสอนแบบสมาธิโยกเยกอนยะ่างนพึ่มวรนาไปไม่นานเองอาจารย์สงคราถ้าไปสอนที่ไหนเ็กจะโยกเยกให้ดูตลอดเลยสมาธิโยกเยกก็การเคลื่อนไหวเหมือนกันนะแต่ทีนี้ว่าโยกเยกมากไปหน่อยเอ า, าไไดิบเอาเบก็ได้เพื่อให้เห็นชัดๆเป็นว่า นี่ในส่วนของสองมิติมิติแรกในแง่ของเวทนาภายในเย็นร้อนอ่อนแกงขึ้นถึงมิติที่2หมายถึงตัวทางออกของเวทนาทุกมันออกมาในรูปของการเคลื่อนไหวแล้วก็จะบวัตเคลื่อนไหวเป็นนิมิตของกรรมฐานเป็นที่ตั้งของสติอีกทีนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะจิตมันก็จะตื่นทีเนี้ยทีนี่ในตัวเวทนาก็มีสองมิติอีก เวทนาที่สัมพันธ์กับรูปก็เวทนาที่สัมพันธ์กับนามเวทนาที่สัมพันธ์กับรูปออกมาในแง่ไหนออกมาในแง่ไตรลักษณ์เวทนาที่สัมพันธ์กับนามออกมาในแง่ไหนออกมาในของนิวรณ์แต่ถ้าหากมีสตินามสัมพ <busy> ันธ์กับนามอย่ามีสติก็ออกมาในรูปของไตรสิขาสัมพันธ์กันอย่างนี้ อันนี้คือส่วนของตัวบทนะว่าไว้ระดับแรกตอนแรกคือเป็นตัวบททีนี้ตอนที่สองที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็คือสรุปว่าตัวบทนี้ไปสัมพันธ์กับวิธีการหลงพ่อเทียนอย่างไรที่ไปสัมพันธ์ของวิธีวิธีการหอวงพ่อเทียนหลวงพ่อก็ท่านก็จับเอาตัวรูปกับนามมาเป็นตัวตั้งเลยเนะี่ยมาเป็นตัวตั้งรูปกับ นามกายกับใจมาเป็นตัวตั้งแต่กายกับใจเนี่ยมันเป็นส่วนย่อยของรูปกับนามเพราะในคำว่ารูปเนี่ยในรูปมันมาจากรูปมจากตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปนะกายก็อยู่ในรูปแต่พอจิตหรือใจมันก็อยู่ในนาม ในขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในเป็นเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นนามนพราะนั้นในส่วนของนามมันมีเกี่ยวข้องด้วยสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นใจตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามอย่างนี้เป็โดนสัมพันธ์กันเราก็มาเรียกเยี่ยว่ารูปกับนามแต่เรียกว่ากายกับใจนี่ยังแยกส่วนออกมาจากรูปอีกนะแต่พอรูปกับนามเนี่ยมันครอบทั้งหมดแต่เราก็เข้าใจยากเป็นภาษากรรมฐานแต่บอกว่ากายกับใจนี่เข้าใจง่ายหน่อยเป็นภาษาชาวบ้านโอ้คุณหนูรับโทรศัพท์เป็นได้นะเก่งเนาะไม่ใช่ธรรมดานี่หนะูสมัยใหม่ อันนั้นเองก็มาที่นี่หลวงพ่อให้เก็บหมดเลยนะคุณหนูถ้าคนในมาใช้ในที่หนึ่งพ่อปรับปรับหนึ่งรอยบาทถ้าไม่กลัวปรับก็ต้องปิดไวให้ไวไม่รู้กฎข้อกาของเราหลงพ่อเก็บหมดแล้วเนี่ยตั้งเต็มบาทเลยทั้งนี้สามสิ่สิเครื่องคุณหนูได้มาละห้าสิบบาทก็ต้องให้หลวงพ่อแล้วอันนั้นเราจะเห็นว่าเรื่อง ของในวิธีการหลวงพ่อเทียนว่ารูปกับนามท่านขยายตรงว่านามรูปส่วนที่สองนะรูปคือกายนามคือใจอันนี้พูดกันให้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมแต่พูดกันให้ถูกก็คือรูปกับนามรูปในส่วนที่เรารูปกับนามที่มีอยู่ถ้ามันเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ในฝ่ายรูปนาม ถ้าสติเข้าไปรับรู้มันก็รูปนามนี้ก็จะต้องเป็นที่ตั้งของตัวไตรสิขาแต่ถ้าสติหรือวิชาไม่เข้าไปรับรู้เป็นอวิชาตัวรูปนามก็เป็นที่ตั้งของนามรูปนี่ถามว่าไตรสิขากับนามรูปต่างกันอย่างไรศีลสมพธีปัญญาเป็นนามรูปหรือเป็นนามล้วน ที่ใครจะตอบได้ต้องถามคุณพรกคำมุงเพราะอยู่กับผมพ่อมานานเป็นนามล้วนๆใช่ไมเป็นนามล้วนๆนะศีลสัมปัญญาเป็นนามล้วนแต่พอ่าเป็นราคะโทสะโมหะเป็นนามวรูปเห็นไหมเพราะมันเกิดจากอาวิชชาเอารูปมาจากด้วยอํานาจของอวิชชามันจึงเปลี่ยนมาเป็นนามรูปคือราคะโทสะโมหะ แต่พอมีสติหรือวิชาเข้าไปมันกลายเป็นนามล้วนๆเพราะนั้นศีลสัสมผัสยาจึงเป็นนามล้วนๆราค่าโทรศัพทมหะเป็นนามบรูปเนื้อรูปทํานามทําทําหน้าที่องี้รูปทํานามทําก็เกิดขึ้นเมื่อแยกก็เห็นชัดเมืกีว่ารูปนามมีตัวแปรสําคัญคือวิชาอวิชาแต่เราใช้คำว่าสติหรือมีมีสติหรือขาดสติถ้าใช้วิชาวิชาเป็นเรื่องของศัพท์ทางวิชาการก็เข้าใจยากแต่ศัพท์ สติมีสติขาสติเนี่ยเป็นศัพท์ที่เราใช้เป็นภาษาบาลีเหมือนกันแต่ เ, เราใช้จนเป็นภาษาชาวบ้านแล้วเขาเข้าใจกันง่ายนะเพราะฉะนั้นในส่วนของรูปทำนามธรรมละ่ะกเ็เห็นว่ารูปมันทาหน้าที่ของรูปคือเป็นไปตามใจรักนามทาหน้าที่ของนามคือเป็นไปตามใจสิขาเนี่เรียวกว่ารูปทำนามธรรมแต่ถ้ารูป ไม่ทำหน้าที่ของรูปนามไม่ทำหน้าที่ของนามปนกันเอานามมาเป็นรูปเอารูปเป็นนามนามบางครั้งไปร่วมกับรูปรูปบางครั้งไปรูปกับนามมันจะเกิดรูปนามชุด่อมาเรียกว่ารูปโรคนามโรคเป็นโรคละร่างกายก็เป็นโรคของใจรักอยู่แล้วจิตใจก็รับเอาใจรักเข้าไปเป็นโรคอีกก็คือโรคของ ความโลภความโกรธความหลงราคาโทสะมหะเป็นนามของโลกโรคชนิดนี้รักษาไม่ถ้าไม่ใช้ยาของพระพุทธเจ้าไม่ใช้พุทธโอสถรักษาไม่ได้หมอก็รักษาไม่หายนอกจากพระอริยสาวกจะศึกษาเรื่องนี้จะรักษาได้ด้วยการเอาโรคออกจากใจคือโรค ก, กุหลงนามก็จะไม่มีโรคทีนี้ถ้าหากว่าเรารักษาไม่ได้รูปโรคนามโรคมันเกือบจะแปลง่าเป็นรูปทุกข์นามทุกข์ ทุกทุกน้ำทุกเกิดละเมื่อรูปทุกน้ำทุกเกิดเพราะได้รับทั้งสองส่วนสิ่งไหนกระทบกายทะลุจิตสิ่งไหนกระทบจิตกระทุกทะลุกายเป็นโรคทั้งสองส่วนเพราะอะไรถ้าก็ย้อนกลับไปว่าเพราะอนิจจังทุกขังหน้าตาเข้าถึงใจก็มารู้อนิจจังทุกขังตาที่แท้จริงก็คือเมื่อไรเราคิดอนิจจังทุกขังหตาปรากฏเมื่อไรรู้สึกตัวใจสิขาปรากฏ ตรายัสีขาและายรัก์จึงสลับกันเกิดกันดับตลอดเวลาออกมาในรูปของความคิดและไม่คิดแต่ถ้าไม่คิดแต่ก็ไม่รู้อันนี้ก็ยังเป็นายรักอยู่นะถ้าไม่คิดก็รู้คิดก็รู้กลับเป็นตรสิขาแต่ถ้าคิดก็ไม่รู้ไม่คิดก็ไม่รู้กลับเป็นายรักษ์อีกเพราะยังเป็นนามรูปอยู่ทันไหมมันจบทันนะถ้าไม่ทันก็ตงส่งกลับบ้านนะ มารายงานทีนี้เราไปดักดูทั้งที่เป็นไตรลักษณ์และไตรสิกขาอยู่ตรงที่ให้รู้เท่าทันนั่นคือตัวปัญญารู้เท่าทันให้พยายามสร้างรู้เท่าทันให้มากที่สุดคือรู้เท่าทันกายซะก่อนให้มากที่สุดและรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันนี่เราใช้คําว่าปัญญาเนาะ ในในศัพท์ภาษาอังกฤ ษ, ษเราจะใช้ว่าปัญญานี่ก็ไม่ได้เราใช้กับ aware of to be aware of ให้รู้เท่าทัน to be aware of your mind รู้เท่าทันจิตของคุณ to be aware of your body รู้ทันกายของคุณไั่ใช้ a w a r นะัพนั้นเมื่อเรารู้เท่าทันอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้ารู้เท่าทันความเจ็บป่วยทางกายแก้ไขกลายเป็น รู้ทาทันความเจ็บปวดทางจิตแก้ไขจิตเป็นร่างกายและจิตใจของเราก็โลค ก, ก็น้อยลงเพราะว่ามันรู้ทันก่อนเราแก้แต่คนส่วนใหญ่รู้ไม่ทันปล่อยให้โรคครอบงํากายกายก็ป่วยจิตก็ป่วยไม่ใช่ป่วยด้วยโรคจิตนะปว่วยโรคอะไรเจริยุดจิตนี่ป่วยด้วยโรคอะไร เราคิดมากโรคราคะโรกโทสะโรโมัะนะป่วยด้วยสามโรคเนี่ยโรคโรคค่าโรคโทสะโรคมัวะถ้าหากรักษาทั้งสามโรคนี้หายก็หมายความว่าไม่มีโรคล้ะรูปโรคนาโลกก็หายทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีตัวสติเข้าไปทําหน้าที่รู้เท่าทันเนี่ยทำยังไงมันก็ต้องดอมรับแหละ รับว่าตัวอนิจจังทุกขังนาตาของพรอเห็นเขาไปตรงนี้เลยนะเมื่อรู้อนิจจังทุกขังนาตาแล้วตัวอนิจจังทุกขังจะจึงไปสร้างสมมุติให้แก่จิตถ้าไม่มีอนิจนจังทุกขังนาตาเข้ามาดึงจิตเราก็อยู่เหนือสมมุติใช้สมมุติเป็นแต่ถ้าหากไตรลักษณ์มันเข้าสู่จิตมันเป็นตัวกุศลอกุศลเกิดขึ้นมันก็ไปติดใส่สมมุติก็คือความคิดเป็นสมมติ E. ความคิดที่ปรุงแต่งเป็นสมมุติแต่ความคิดเฉยๆยังไม่เป็นสมมุติมันเป็นธรรมารมแต่เมื่อไรปรุงแต่งขึ้นมาก็จะสร้างเรื่องเป็นสมมุติขึ้นมาเพราะความคิดได้กล่าวไว้ก่อนมีสามลักษณะหนึ่งความคิดด้วยที่เป็นธรรมาร um. so มสองความคิดที่เป็นสังขารสความคิดที่เป็นสติปัญญาเพราะฉะนั้นความคิดที่เป็นสังขารเป็นสมมติความคิดที่เป็นธรรมารมเป็นสติปัญญาอยู่เหนือสมมุติ ไม่จะไม่จัดเป็นสมมุติเพราะว่ามันไม่มีเพราะเรื่องมันเป็นพาสิฟมันไม่เป็นแอคทีฟคือหมายความว่ามันแสดงบทบาทะสังขาร น, น, น, นี่นะดังนั้นเมื่อเราจเจริญสติแบบนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ า, ขาไปเห็นขบวนการของจิตไปตามลำดับอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพอไปเห็นสมมติก็มันก็จะต้องรู้จักตัวนอกสมมุติละ อะไรที่มันอยู่นอกสมมุติคือจิตที forums, e alog, ่ไม่ไม่ปรุงแต่งเป็นตัวอะไรประมัตใช่ไหมอ่าเป็นตัวประมัตได้จิตปรุงแต่งเป็นสมมติตลอดเวลาจิตสองตัวนี้มีไหมมีใช่ไหมแต่เราไม่รู้ไม่ทันเรารู้แต่มันเป็นปรุงแต่งได้ตัวไม่ปรุงแต่งเรากลับไม่รู้ในตัวปรุงแต่งมีไม่ตัวไม่ปรุงแต่งก็มีอยู่แต่เรามองไม่เห็นในน้ําขุ่นมีน้ําใสอยู่แต่เรายังไม่ได้แยกใช่ไหม ในน้ำมะนาวก็มีน้ำเปล่าอยู่แต่เรายังไม่ได้แยกในน้ำนมก็มีน้ำเปล่าอยู่ใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้แยกแค่นั้นเองแต่ถ้าจะแยกทําไงแยกนมออกจากน้ําง่ายไหมอ่ะก็ไม่ยากแต่ใช้เวลาน้อยจะแยกกายออกจากความคิดปรุงแต่งอันนี้ยากหน่อยจะทำไงให้ให้ความคิดมันตกตะกอนเหมือนกับ น, น้ํานม เอาสารส้มไปแกว่งมันก็ง่ายใช่ไหมหรือเทนา้าเอาน้ําออกมาเออนามออกไปเป็นผงน้ําออกไปน้ําใสแค่สารสุมไปแกว่งเราก็เอาปัญญานี้เข้าไปแกว่งในความคิดปรุงแต่งเหมือนน้าขุนใช่ไหมพอเอาปัญญาไปแกว่งไ อ, ไอ้สังขารก็ตกตะกอนมันเกิดเรือน้ํนนาใสๆขึ้นข้างบดคือจิตที่สะอาดนั่นเขาเรียกว่าเอาเอ า, เอาตรงนี้ไปแกว่งเขา อันนั้นจะเห็นว่าถ้าเรารู้เห็นสภาวะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมชัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอีกต่อไปละเป็นเรื่องที่เห็นกันแจ้งแจ้งนี่แหละแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้เปิดดวงตาธรรมขึ้นมันก็เห็นไม่ได้นะมันก็ยังมั่วๆอยู่มันมันเข้าใจไม่ได้เราก็ต้องมุ่งสร้างดวงตาธรรมไปเรื่อยๆก็คือสร้างความรู้เนื้อรู้ตัวไปเรื่อยๆแล้วดวงตาธรรมของเรามันค่อยแจม่มชัดขึ้นแจ่มชัดขึ้นแจ่มชัดขึ้นมันก็จะได้เห็นธรรมธาตุเหล่านี้ทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรม เป็นส่วนข้องไขข้องมันได้มากขึ้นนะอันนี้คือหลักการในวิธีการของที่หลวงว่รเทียนท่านสรุปไวจากสมมุติปรามัิแล้วจากนั้นไปมันจะไปเห็นอะไรเห็นการเกิดและการดับเพราะฉะนั้นในวิธีการของธรมาที่อยากจะทาคือให้ดูการเกิดดับตั้งแต่แรกเลยการเกิดดับเล็กๆนน้อยมันจะไปสู่การเกิดดับใหญ่ๆ การเกิดดับรูปเนะี่ยมันจะไปเกินการเกิดดับของนามนะแต่ถ้าหากว่าเราจะดูทั้งหมดรู้สึกมันสับสนวุ่นวายจำไม่ได้ก็กลับมาดูการเกิดดับแค่สองอย่างพอเพราะตัวนี้มันคนโทรลทั้งหมดเลยตัวเกิดดับตัวนี้แต่ว่าจะไปเกินเกิดดับทางจิตมันก็มีความถี่สูงเกินกว่าปัญญาของเราจะไปรู้ก็ดูการเกิดดับระดับต่าๆหยาบๆนี่ก่อน สมมติว่าเฟืองตัวนี้มันจะผลักดันให้อันนี้หมุนนะ่ะมันมีอยู่สักสิบตัวนี่นะไอตัววงนอกที่สุดที่ช้าที่สุดอะ่ะมันเป็นยไงมีพลังที่สุดแต่ช้าที่สุดอันนั้นก็คือตัวเคลื่อนไหวของท้ายสี่เป็นเฟืองจากวงนอกสุดเลยใช่ไหมเฟืองจากวงในเข้าไปอีกเป็นการเคลื่อนไหวของดีบุกย่อยเฟืองทดลงไปเล็กลงเล็กลงเล็กลง ทั้งๆที่มันเป็นภาวะการเกิดดับธรรมดาเนี่ยแต่มันสามารถสร้างพลังให้กับกายมหาศาลเหมือนกระเบิดนะที่มันสั่งสมแรงกดดันไว้ข้างในก็ระเบิดออกมานะเพราะฉะนั้นตัวที่อ่าอันไหนก็ตามที่เขาจะใช้อาบันทุกหนักเพื่อให้มีพลังมากที่สุดต้องทดเกียร์ให้เยอะๆใช่ไหม รถสิบล้อเนี่ยตามันีรถทั่วไปมีสีหเกียร์ใช่ไหมโอ้รถ10บล้อมมีทั้ง18เกียร์ถึง20เกียร์เอามาก็ไมเ่เคยเห็นกันไปยังไงเรา <c oughs> ไ, ไปดูกันนะสิเกียร์แสดว่า ม, มันทดหนักมากแต่มันก็มีพลังสูงมากใช่ไหมที่ร่างกายของเราเหมือนกันก็ทดไอตัวรู้เนี่ยเป็นลำดับขึ้นมาให้มรรู้การเคลื่อนไหวที่เราเคลื่อนไหวที่เราเห็นเนี่ยเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนน่ยถือว่าเป็นเฟืองนอกสุดนะเพราะมันจำรู้ได้ง่ายเพราะจำรู้ตัวนี้ขนาดรู้ได้ง่ายอย่างนี้เราก็ทันบ้างไม่ทันบ้างใช่ไหม เออมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรมันยากหรือเปล่าไม่ยากหรอกแต่เราไม่อยากจะรู <c oughs> เ้เรื่องของเรื่องมันไม่ยากแต่มันไม่อยากจะรู้เพราะอะไรจึงไม่อยากจะรู้มายังไม่รู้จักชื่อโยมเลยนะฮะนุนตกรเนาะอ๋อนุนทกรที่เข้าไปทําในไลน์กับพวมกับคุณนุ้ยศิษย์เลยเนาะเ <c oughs> ออคนนี้เองนุนตกร เขาเปไราหลวงพ่อบอยองพ่อถามว่าไงเมื่อกี้จะลืมแล้ถามว่าไงอ่ามันไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมแต่เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะรู้เพราะอะไรเพราะมันไม่สนุกใช่ไหมใครก็รู้เรื่องนี้แต่ทำไมไม่รู้เพราะมันไม่สนุก เพราะไม่มีตัวเพราะจิตของเราเนี่ยคุกคีอยู่กับเรื่องของโล ก, กียะมาตลอดซึ่งมันมีรสชาติสนุกสนานใช่ไหมแต่พอเรามาศึกษาในเรื่องโลกุตละซึ่งเป็นเรื่องตรงกันข้ามมันไม่มีรสชาติไม่สนุกทีนี้จิตจิตของปุถุชนคนเราคุกคีอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นรสชาติมาตลอดพบชาติกับกั น, นจู่ๆม่นจะมาอยู่จิต ท, ที่ซื่อที่ไม่มีรสชาติเลยเนี่ยมันยากมากแต่มันมีทางเดียวที่จะได้ออกจิตมาทางนี้ มาอยู่กับความรู้สึกถ้าหากเอาจิตมาอยู่ทางนี้แล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ใช้โลกิยะจิตเลยแต่ให้ใช้มันอย่างรู้คุณค่าและกาละไม่ใช่ใช้แบบจมอยู่ในตะบันตลอดนะเพราะนั้นคนทั้งหลายที่เข้าใจว่าไอ้มาปฏิบัติทำแล้วนะไปอยู่กับโลกุตระนะ่ะมันไม่สนุกสู้โลกุตระไม่ได้โลกิยะไม่ได้แต่การปฏิบัติวิปัสสนาในระดับชาวบ้านเนี่ยมไม่ได้หมายความว่าจะต้องตัดขาดกับโลกิยะทั้งหมดนะ แต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมาอยู่โลหุตละสักครึ่งหนึ่งเหมือนน้ำเนี่ยเราไปแช่อยู่ในน้ําตลอดเวลากลับมาอยู่บนฝั่งลงเล่นบ้างอาบบ้างหมดเวลาหมดความจําเป็นก็คือมาอยู่บนบ้านบนเดืนบนฝั่งใช่ไหมชีวิตตาเป็นจริงเป็นอย่างนั้นแต่ชีวิตในร่างจิตใจเนี่ยเอาจิตของเราไปจมไปแช่อ ย, อยู่ในน้ําตลอดเวลาพระพุทธเจ้าที่ท่านสวนในนั้น จงมาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ําจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกางังวลอ่ะคือจงจงไอการละความอยากออกมาเนี่ยก็เรียกว่าละกามนั้นได้ออกมาจากน้ําแต่บางครั้งเราก็ใช้น้ําใช่มแล้ว เ, เข้าไปตักเอาแต่ถ้าการลงไปแช่เนี่ยมันกลายเป็นกามแต่แล้วขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วใช้เป็นบางครั้งมันไม่ใช่เป็นกามเรียกว่าเป็นหน้าที่อ่ะ ไปเลยถึงเวลาที่ต้องไปตักน้ําถึงเวลาที่ต้องไปอาบน้ำหมนหน้าที่แล้วก็ขึ้นมาอยู่บนบกบนบ้านบนเรือนแต่ที่นี่เรายังไม่ได้สร้างบ้านไม่ได้สร้างฝั่งไม่ได้สร้างบกเอาไว้เนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็เจอแต่น้ําไปที่ไหนก็เจอแต่กามไปในกามในรูปของรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหมุนไปไหนก็เจอเหมือนเราเอยู่ในน้ํามันก็เปียกก็แฉะก็ชื้นก็อันตราย เพราะนั้นพอเรามาสร้างตัวโลกุตละซึ่งเปิดเส ม, มือนฝัง่งเปิดเส ม, มือนเกาะเปิดเส ม, มือนบ้านเรือนเราก็มาสร้างตัวนี้ขึ้นไว้เพื่ออะไรเพื่อจิตเราจะได้พักเมื่อเวลาต้องคิดแบบโลกียะก็ ค, คิดไปตามหน้าที่ประกอบการงานธุรกิจเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องพ่อหลวงแม่ก็ว่ากันไปหมดหน้าที่แล้วไอ้จิตมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันนะใช่ไหมแต่ต่างกับคนทั้งหลายที่ไปทําหน้าที่แล้วจมอยู่ในเรื่องนั้นเลย จมอยู่ในในในความคิดจะเป็นวัตฏะที่เป็นกามหมดเลยจิตไม่ไปได้พักมันก็เหนื่อยก็เจ็บไว้แก่ไว้ตายไว้ใช่ไหมแต่พอได้พักบ้างพอหมดหน้าที่ที่จะไปบริหารกิจการบ้านเมืองก็มาอยู่กับจิตของตัวเองอแต่ถึงแม้ว่าทําหน้าที่อยู่เราพักได้ไหมได้ใช่ไหมไม่ใช่ไป แช่อยู่กับมันตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนจิตทั้งด้านโลกุตตะจิตโลกุตตะปัญญามาก่อนเราจะพักจิตเป็นไหมไม่เป็นแม้แต่นอนมันยังพักไม่ได้เลยใช่ไหมไม่นอนยังฝันต่อเลยแต่พอเราฝึกอย่างนี้ปันอนก็คือได้พักละหลับสบายนะไม่ได้คิดไม่ได้ฝันอะไรละซึ่งโลกุตตะทํำโลกุตตะปัญญาจึง เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยไม่ใช่ว่าคนนักบวชนักปฏิบัติเท่านั้นเหมือนกับการมีเย้ามีเรือนมีที่พึ่งพาพึ่งพิงพักเนี่ยมันก็ทุกคนจําเป็นต้องต้องมีต้องหาใช่ไหมในแง่ของรูปธรรมอ่ะแต่ในแง่ของนา ม, มาทำทําไมเราไม่คิดในแง่องนี้ว่าเราก็ต้องต้องมีที่พักจิตถ้าไปพักจิตในสมาธิพอไหมไม่พอเพราะงานยุ่งเหยิงทั้งวันไม่มีเวลาไปนั่งสมาธิ แต่เอาจิตไปพักในสติคือความรู้สึกตัวทั่ว์เพราะมาหยุดในความรู้สึกตัวอันนี้ง่ายกว่าทําได้แต่ต้องทําให้ชํานาญถ้าไม่ชนานาญมันก็ต้องหลุดไปนั่นหมายความว่าทําบ่อยๆหนึ่งๆพาวิตาพหุลิกตานะอันนี้คือตัวสรุปบทเรียนในวันนี้ที่เราไปดูกันมาแล้วเขาจะอ่านได้นะอ่านตัวเองออกเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาที่เหลือเราจะ ไปเดินจุกลุมร่วมกันในฝั่งนู้นตามสมควรกี่เวลาเนาะโอเคตอนนี้เรากลับพระ้องกันล้เก็บอุ้ีอาสนะ